เมื่อไม่กี่เดือนมานี้นะมีข่าวที่ประเทศอเมริกาอาจารย์คนหนึ่งเนี่ยสอนวิชาเคมีนะในมหาวิทยาลัยแห่งนที่นิวยอร์กเนี่ยวันดีขคืนดีก็ถูกไล่ออกเพราะว่าสอนยากไปนะสอนยากไปนะนักศึกษาบน ในการนี้เกิดขึ้นหลังจากที่นักศึกษาประมาณแปดสิบกว่าคนนะในจํานวนสามรอยห้าสิบคนก็คือประมาณสักหนึ่งในสี่เนี่ยร้องเรียนถึงหมหาวิทยาลัยว่าเนี่ยอาจารย์คนเนี้ยสอนยากจังเลยที่สอนยากนี่ก็คงจะหมายความว่าให้เกรดยากนะเพราะถ้าสอนยากจะให้เกรดง่ายนี่ก็คงไม่มีการร้องเรียนเดี๋ยวนี้เนี่ย เพราะว่าเนี่ยนักศึกษาในอเมริกาเนี่ยเขาจะบ่นอาจารย์มากไม่ใช่เพราะว่าอาจารย์ไม่รับผิดชอบการสอนหรือว่ามาสายหรือว่าไม่มีความรู้มากพอหรือว่าไปล่วงละเมินนักศึกษานะแต่สาเหตุสําคัญก็เพราะว่าสอนยากไปพวกนี้เพราะว่าเขามีการทํา แบบสอบถามนะนักศึกษาในอเมริกา8ปดสิบ็ดอร์นะหรือ 90% ้าสิเกือบเก้าสิบเปอร์ซ็นเนี่ยพูดเลยนะว่าเนี่ยเดี๋ยวนี้อาจารย์เนี่ยสอนหนังสือนะยากไปแล้วก็ประมาณสองในสามเลยนะบอกว่า หมาชัยเนี่ยนะควรจะบังคับหรือกดดันให้อาจารย์เนี่ยสอนง่ายกว่านี้นะหรือจะพูดให้มันเป็นรูปประรมหน่อยก็คือว่าให้เกรดง่ายกว่านี้นะน้องในสามเมียนนะยบอกว่านี่อาจารย์นี่จต้องควรจะถูกบังคับนะให้สอนง่ายกว่านี้เนีนี่มันน่าสนใจนะสมัยก่อนเนี่ยนะ เวลาเราเรียนหนังสือแล้วก็สอบได้คะแนนต่ำๆเนี่ยสิ่งที่นักเรียนหรือนักศึกษาควรทำคือว่าต้องขยันให้มากขึ้นเพราะว่าถ้าอยากได้เกรดสูงๆอยากได้คะแนนมากๆเนี่ยถ้าเราขยันนะมันก็มีโอกาสที่จะได้คะแนนเพิ่มขึ้น การที่นักศึกษาจำนวนไม่น้อยนะที่เขาทำการสอบถามเนี่ยเขาก็บอกเขาขยันแล้วนะแต่ถามว่า ข, าขยันแค่ไหนเนี่ยเขาเพราะว่าเนี่ยประมาณในสามของคนที่บอกว่าเนี่ยเขาขยันมากขึ้นแล้วเนี่ยบอกว่าใช้เวลากับการอ่านหนังสือค้นคว้าเพิ่มเติมเนี่ยแค่ห้าชั่วโมงต่ออาทิตย์นะ ก็หมายถึงว่าเฉลี่ยแล้วลอาทิตย์ละวันเอฉลี่ยแล้วลวันละชั่วโมงนี่คือขยันของเขาแล้วนะเขาบอกเนี่ยก็จะขยันเพิ่มขึ้นอาทิตย์หนึ่งเนี่ยนะขยันเพิ่มขึ้นหรือใช้เวลาการเรียนเพิ่มขึ้นเนี่ยก็แค่ห้าชั่วโมงนั่นถามว่ามันพอไหมเนี่ยอย่างนี้ไม่เรียกว่าขยันแล้วนะเพราะว่าแค่วันละชั่วโมงเนี่ย อันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยความคิดของคนรุ่นใหม่ น, นักเรียนนักศึกษาเนี่ยถ้าเกิดว่าได้คะแนนน้อยได้เกรดต่ำเนี่ยอาจารย์ ท, ที่จะหันมาขยันให้มากขึ้นแต่ก็ไปหาทางออกด้วยการ เปลี่ยนอาจารย์เอาอาจารย์ที่สอนง่ายกว่ามาแทนจริงเนี่ยมันก็มีคนที่เขาหาทางออกทางอื่นนะได้เกรดต่ํานะก็ไปขออาจารย์อันนี้วิธีนี้ก็ใช้กันอยู่ก็มีถึงสาสิแปดเปอเซ็นเลยนะที่บอกว่าเนี่ยเคยไปขออาจารย์เให้ให้เปลี่ยนเกรดใหม่ให้เพิ่มเกรดนะ ไม่ชนตกใจคือหนึ่งในสามเนี่ยใช้วิธีโกงนะโกงข้อสอบเนี่นี่เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงมากให้เราก็อาจจะไม่คิดว่าโอ้ในอเมริกานี่นี้นักศึกษานี่โกงข้อสอบ ก, กันแล้วแต่เีวนี้มันเพิ่มมาถึงหนะึ่งในสามก็นับถือนะที่เขาพูดเปิดเผยตรงไปตรงมานงะ เพราะนั้นถ้าไปเทียกับนักศึกษาไทยเนี่ยคิดว่ามันคงจะมากกว่าหนึ่งในสามนะที่ว่าโกงข้อสอบหรือว่าชุดจิตในการสอบเนี่ยถ้าคนเราเนี่ยเวลาเรียนหนังสือแล้วสอบได้คะแนนไม่ดีเนี่ยเราควรจะเน้นที่การแก้ไขที่ตัวเองแต่เดี๋ยวนี้ไปเน้นที่การแก้ไขคนอื่นอาจารย์เปลี่ยนเกรดหรือแม่ก็เปลี่ยนอาจารย์ไปเลย ที่จริงเนี่ยมันสะท้อนในทัศนคติของคนสมัยนี้นะที่จริงก็ไม่ใช่เฉพาะเด็กอย่างเดียวหรือนักศึกษาอย่างเดียวนะแต่รวมถึงผู้ใหญ่ด้วยก็คือเวลาเจออุปสรรคเจอปัญหาหรือเจอความทุก์เนี่ยเราไม่ได้คิดที่จะแก้ไขตัวเองนะแต่เราคิดที่จะไปแก้ไขสิ่งภายนอก อันนี้มันเป็นจะเรียกว่าวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตของคนยุคนี้ไปเลยก็ได้เวลามีความทุกข์เนี่ยเราคิดจะจะแก้ไขคนอื่นมากกว่าที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือว่าไปจัดการกับคนอื่นมากกว่าไปจัดการที่ใจอันนี้ก็ธรรมดาเนะเพราะว่าดิเทคโนโลยีเนี่ยมันเอื้อให้เราเนี่ย ไปหาทางอ่อนในแง่นี้เช่นอากาศร้อนอก็ติดพัดลมติดแอร์นะในเรื่องการที่จะทำใจมันก็น้อยลงเวลาสุขภาพนะร่างกายมันอ้วนน้ำหนักเกินแทนที่จะควบคุมอาหารออกกลาลังกายก็ไปมองว่ามันจะมียาที่จะทำให้น้ำหนักน้อยลง นะหรือางไรก็ไปผ่าตัดเอาซะเลยนะนะั่นงนี้เราสังเกตสังเก่ดูเราไปแก้ไขที่ข้างนอกมากกว่าที่จะจัดการกับตัวเองนั้นก็ธรรมดานะเวลาเด็กเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาได้คะแนนต่ำเนี่ยแทนที่เขาจะแก้ไขที่ตัวเองคือเรียนให้มากขึ้นขยายให้มากขึ้นก็ไปนะเรียกร้องให้อาจารย์เนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนวิธีการสอน เปลี่ยนการให้เกรดหรือถ้าเปลี่ยนไม่ได้ก็เปลี่ยนอาจารย์ซะเลยจริงๆถ้าพูดถึงเรื่องการเรียนนะเราเรียนเพื่ออะไรนะเดี๋ยวนี้เราไปคิดว่าเราเรียนเพื่อจะได้เอาเกรดสูงๆได้คะแนนเยอะๆที่จริงเราเรียนเพื่อเอาความรู้มากกว่าถ้าเราเข้าใจชัดนะว่าเรียนเพื่อความรู้เนี่ยได้อาจารย์อาจารย์ที่สอนยากอาจารย์ที่หินเนี่ยนะมันกลายเป็นของดีนะ มันทำให้เรามีความรู้มากขึ้นจริงๆจะดูอาจารย์ดีหรือไม่ดีก็ต้องดูว่าก็มีความรู้มากไหมแล้วก็ช่วยทาให้เรามีการเรียนรู้เพิ่มเติมหรือเปล่านี่คือวัตถุประสงค์งการเรียนแต่พอไปต้้งเป้าว่าเรียนเพื่อเอาคะแนนนะมันก็เพี้ยนเลยอาจารย์คนไหนให้คะแนนตามให้เกรดต่ํามก็ไม่พอใจนะ่ หรือถ้าแก้ไขอาจารย์ไม่ได้ก็ทุจริตในห้องสอบแต่ถ้าเราคิดว่าเราเรียน เ, นยเพื่อเอาความรู้เนี่ยอาจารย์ที่มีความรู้มากแล้วก็สอนยากๆนี่บางทีมันกลายเป็นเรื่องท้าทายนะท้าทายให้เรานะตั้งใจเรียนให้มากขึ้นค้นคว้าให้มากขึ้นอ่านนอกเวลาให้มากขึ้นนะน่าจะดีใจนะที่ได้อาจารย์ที่เขาหินนะเขาสอนยากเนะพราะมันท้าทายให้เรามีความรู้มากขึ้น แตพอไปตั้งเป้ามาเรียนเพื่อเอาคะแนนเนี่ยนะทุกทีมก็ลงเอยแบบนี้แหละต่อไปเมืองไทยก็อาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะถาาว่าเราคิดว่าเราเรียนเพื่อเอาคะแนนเพื่อเอาเกรดอ่านี่ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในประเทศที่เราคิดว่าเนี่ยเขามีเป็นแบบอย่างในด้านการศึกษาในด้านการเรียนรู้เป็นแบบจยางในด้านมหเทาหลายด้านการศึกษา